เป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังพูดกับทุกท่านพูดกับทุกคนเรื่องที่พูดเป็นเรื่องของเราเรื่องของตัวเรานี่แหละเรามาศึกษามาเรียนรู้กายกับใจเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้สติเป็นนักศึกษากายใจเป็นตำร า, ามันจะบอกเรา พอแต่มีความรู้สึกตัวเป็นหลักมันกนตาคอยดูที่เขาจะแสดงออกอิ่งไหนเขาแสดงออกเขาแสดงว่าเราได้เห็นแล้วเราได้ดูแล้วเป็นเรามีสติดูกายเคลื่อนไหวเป็นนิมิต นี่มันเกิดความหลงขึ้นมาเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความรู้ความหลงมันเกิดขึ้นเป็นความง่วงเหงาหนอนตานคิดผงซ่านเราก็ได้รู้หลงไปในความคิดเราก็รู้แล้วว่ามันหลงมันไม่ใช่ความรู้พอบอกตัวเองสอนตัวเองเราก็ได้เรียนรู้เรื่อยไปหลักของเราก็ดูอยู่ เหมือนกับเราอ่านตาราเราท่องหนังสือบางทีมันก็วอบคิดไปทางอื่นแล้วก็กลับมาท่องหนังสือคิดใส่ใจตามํำดับลำนำดีๆมันจึงจะติดมันจึงจะเป็นวิญญาณวิญญาณแห่งความรู้สึกตัวไม่ใช่วิญญาณแห่งความหลง วิญญาณหนึ่งความหลงมันขอมาเกิดขอมาแทรกเราก็ไม่เอาเราก็บอกเวลานี้เราสร้างความรู้สึกตัวนะเนี่ยนะแล้วก็บอกแล้วมันก็เชื่ออยู่เพราะความรู้สึกตัวมันเป็นธรรมธรรมย่อมชนะอธรรมอยู่เสมอความหลงมไม่ใช่ธรรมดอกบางทีเราให้โอกาสมันมามาก แต่เวลานี้ขอเถอะขอโอกาสเวลานี้เรามาเจริญสติไม่ใช่เวลานี้มาคิดถึงลูกถึงหลานเวลานี้ไม่ใช่เวลาทามันอื่นเรามาเจริญสติขอสงวนเวลาขอสงวนลกษสิิธิ์ให้ท่าก็ว่าอย่างนั้นให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวอันจะได้บทเรียนเยอะแยะไปหมดเลย อย่างไรที่มันไม่เคยเห็นชัดก็จะได้เห็นชัดแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดตัวเองอยู่กับความคิดอยู่กับความหลงอยู่กับความโกรธอยู่กับความเลอความชังพอมาดูเข้าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นอาคารตุกะมาเป็นคลังเป็นข่าวเราก็จะได้ทักท้วงเราจะได้ทักท้วงโต้อตอบบอกคืนบอกกลับ เวลามันหลงขึ้นมาเวลามันคิดขึ้นมาก็บอกตัวเงเราก็กลับมากลับมาหาฐานมาหาที่ตั้งมันจะได้บทเรียนตรงนั้นแหละเห็นมันหลงคิดไปก็กลับมาหากายที่เคลื่อนที่ไหวอยู่นี่นนองอเงาหานอนก็กลับมาหากายที่เคลื่อนที่ไหวอยู่นี่ให้มันทันทีทันใด ตรงกันข้ามพอดีพอดีอาจให้มันตรงกันข้ามมีโจทย์มีจำเลยความหลงเป็นโจทย์สติเป็นไิภาคสาตุลาการถ้าใจถ้ากายเป็นจำเลยของความหลงแล้วก็แยกตา่างมันเคยหลงมา เรียกว่าแช่ต่างมันกับวิาพากษาตุลาการที่จะสร้างความเป็นธรรมกระบวนการแห่งความเป็นธรรมเพราะว่ากายใจของเราเนี่ยมันคอบงำมันเป็นจริตนิสยัยมานานแล้วบังทีมัง่ายที่จะหลง ถาเรามาดูจริงๆนะชีวิตเราเนี่ยความหลงมันจะมากกวความรู้สึกตัวโดยช้าไปพ อ, อมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยโจย์คือความหลงก็จะมาแย่งเอากายเอาใจให้ไปคิดให้ไปเป็นทาสของเขาเราตั้งใจจะสร้างความรู้สึกตัวอยู่ดีๆอ้ามันง่วงขึ้นมามันไม่ยอมให้รู้มันดือ้อความง่วงน่เหมือนกับมันดือ้อ ความดื้ออยู่ในชีวิตเราเหมือนกับลูกของเราหลายคนลูกบางคนก็นดือ้อลูกบางคนก็นด้านลูกบางคนก็นสุขสนความ ง, ง่วงหมายถึงมันดือ้อมันด้านมันกับลูกที่บอกมันไม่เชื่อไม่ฟังแต่ก็พยายามแต่มันไม่เหมือนกับ ลูกเก่งๆเพราะมันอยู่กับเรามันเป็นเรื่องของกายของใจเรามันก็อยู่กับเราแต่ลูกที่เป็นลูกตัวเราเก่งๆมันก็อยู่คนละที่ละทางกันพาทีเราก็ไม่ได้เห็นมั น, น, นทําผิดทําถู ก, ลกหลบหูหลบตาเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เห็นแต่ตัวเรานี่เห็นลูกเห็นทุกโอค่ะถ้าจะมีสติเป็นดวงตา คอยดูแลคอยตรวจสอบคอยทักท้วงอ่าคอยทักท้วงคอยโต้ตอบคอยบอกคืนคอยบอกกับสอนให้มันรู้คนละเรื่องกันความหลงกับความรู้คนละเรื่องกันให้ใส่ใจตรงนี้ให้มันเห็นความหลงชัดเจนเห็นความรู้ชัดเจนความหลงเป็นระหนึ่งความรู้เป็นระหนึ่ง ความทุกประดนหนึ่งพร้อไม่ทุกประดนหนึ่งความโกรธประด็นหนึ่งพรามอมไม่โกรธประเด็นหนึ ง, มม เ, นนงเนี่ยมองให้มันชัดแต่ก่อนอาจจะไม่ชัดโอนไปกันไปต่างรูดท่างหลงไปด้วยกันไม่เอาให้มันชัดเจนการปฏิบัติธรรมสร้างความชัดเจนสร้างความแม่นยำให้มัน เป็นจริงความรู้ก็เป็นความรู้จริงๆความหลงก็เป็นความหลงจริงๆแต่ถ้าเราไม่เคยสร้างความรู้ให้เป็นฐานให้เป็นหลักมันก็จะไม่เห็นความหลงชัดจริงชัดแจ้ไม่เห็นแง่ในความหลงเวลาเราสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมีฐานมีเทตั้งพอมันหลงขึ้นมาเราจะเห็นความหลงชัดเจน หลงไปทางไหนก็เห็นชัดหลงไปในความคิดก็เห็นโดยพรหลงไปในความคิดเนี่ยถ้าไม่จริงจริงๆจะไม่เห็นมันก็ไปด้วยกันได้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปด้วยกันโปน่ไปกันไปแั่นี้เรามีสติเห็นมันทั้งสองอย่างเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งรู้เห็นทั้งหลงเราก็สร้างตัวรู้เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ นี่เรียว่าปฏิบัติถ้าไม่เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ไม่ใช่นักปฏิบัติแต่นั่งหลังผลหลัองงอจะเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกเหมือนพระรัฐบาลพระจัผูกบานพระรัฐบาลใช่ไหมเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกแต่ด้วยความอยากความอยากรูก้อยากเห็น รีดกายจนไม่มีเวลาพักผ่อนเดินจน่าเท่าแต่เพราะอยากรู้อยากเห็นเค่งเครียดบุบบืนเอาส้นเท่าเดินส้นเท่าก็แตกเอาปลายเท่าเดินปลายเท่าก็แตกเอาข้างเดินข้างเท่าก็แตกรอยเดินจงกองเป็นรอยเลือดไปเลยอันทีสุดท้อใจ ลาศิกขาพระเจ้าก็ทราบเรียกมาถามมาสนทนาธรรมด้ยถามรัฐบาลรัฐบาลนี่เป็นหนุ่มสมัยเป็นหนุ่มเป็นนักดนตรีปีเพนสีโซก็ถามว่ารัฐบาลเวลาเธอทรงดนตรีนะ่ะถ้า สายพินของเธอตึงเกินไปมันจะเพาะไม้ไม่เพาะพระเจ้าขาแต่หย่อนเกินไปมันจะเพาะไหม้ไม่เพาะพระเจ้าข า, แ ต, า, า, า, ขาแต่ทำอย่างไรมันจึงจะเพาะเอาพอดีพอดีแม่เธอปลรลบควงเพียนก็เช่นกันรัฐบาลเอ้ยเธอตึงเกินไปเธอย่อนเกินไ ป, นไปมันก็ไม่ในความพอดีเห็นเดียวกัน ธออยากไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากความขยันก็พาเธอทําความขี้เกียจก็พาเธอหยุดไม่ใช่ความหยาดความหย่อนความตึงมันใช่ไม่ได้ต้องพอดีมีสติสัมปชัญญะคอยดูการแสดงของกายของใจบางทีใจมันอยากรู้พอเห็นมันอยากรู้อยากเป็นผู้อยากรู้ให้เห็นมันอยากรู้มันขีเกลียด เราอย่าเป็นคนที่ขี้เกลียดถ้าเห็นมันขี้เกลียดมันจะเกิดความพอดีนี่การปฏิบัติธรรมสตินี่ที่เราสร้างนี่ช่วยเราว่าแต่เราสร้างให้มันมีว่าแต่เราสร้างให้มันมีแต่มันไม่มีมันก็ไม่ได้ใช่อย่านเราไม่มีเงินมันจะได้ใช้อะไรเหงวตายเราต้องหาเราต้องสร้างขึ้นมาหลายขี้เกียดที่ค้นคนขออยันก็หาทรัพย์ได้ ตอนเกลียดข้านก็ยอนอนเป็นทุกข์ตอนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราทําได้จริงๆอีกมือยกมือเคลื่อนไหวมือรู้สึกตัวได้รู้สึกตัวได้ตั้งต้นจาความรู้สึกตัวได้น้อยที่มีเจตนาอเอามาไหวกับกายให่มันเคลื่อนมันไหวเริ่มต้นตรงนี้ต่อไปต่อไปมันจะมีฐานมีที่ตั้งมันจะมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหารู่ เมื่อมันเป็นมหาโลหะเอาละบบบนี้เร า, เ า, นเนเราสมมตุติเรามีเงินไม่ีทองเราก็สามารถที่จะขยายธุรกิจของเราออกไปได้แต่ก่อนหาเงินสิบเงินห้าเงินสิบต่อไปอาจจะหาเงินร้อยเงินพัน 1, อาจต่อไปอาจจะไปหาเงินหมื่นเงินแสนเมื่อลุงปู่เทียนพูดสมัยหลวงพ่อไปปฏิบัติกับท่าน เขก็เทียนเพื่อว่าหาเงินร้อยเงินพันหาไม่เป็นไม่รู้จะหาแบบไห น, นแต่ว่าหาเงินหมืน่นเงินแสนเนี่หาง่ายท่านบอกว่าใช่เขาก็คิดแบบนั้นการปฏิบัติทำก็เหมือนกันหาเงินหมืน่มนเงินแสนหาอย่างไรมันมีให้หามันมีถ้ามีาสติขึ้นมากๆามากมากมกันก็มี มียานมาช่วยมีสมาธิมีปัญญาไม่มักเข้ามาช่วยคนมีเงินมีทองเงินมันก็หาเงินเองเงินมันลงทุนปัญญามันลงทุนมันหาไปเองจากอนอนต์ได้มาจากอันนี้ได้มาหลายเรื่องหลายราวหาหลายๆอย่างก็ได้มารวมกันเขา้ามากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนในทางก็พาให้เราหลงหูมันก็พาให้เราหลง จมูกเล่นกายใจมันก็พาให้เราหลงต่อไปต่อไปต่อไปเมื่อมันรู้แล้วตาก็พาให้รู้หูก็พาให้รู้สมูกเล่นกายใจก็พาให้เรารู้มันช่วยเราศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญาต่อคุ้มครองป้องกันรักษาเราญาณปัญญาก็เกิดขึ้นมาสนับสนุนอ่ามันเป็นอย่างนั้นมันมันได้ ได้ความสมสัดสมส่วนได้พลังงานเนี่ยมันเป็นไปเองแต่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันจะยากอยู่สักต่อยแต่ความยากที่เราทำมันจะง่ายภายในภายหลังความตึงก็เพื่อที่จะหย่อนความหย่อนก็เพื่อที่จะตึงให้คิดอย่างนี้บางทีมันตึงมากก็หย่อนบางทีมันหย่อนมากก็ตึง ใหามันพอดีหาความพอดีกับตัวเองบางทีก็ตั้งไม่ถูกพอทำปั๊บก็เอากิงเอาจังหน้าดํคาเครียดห่วงน้องเศร้าเชมเครียดไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ย้อนลงไปสักหน่อยย้อนลงไปสักหน่อยหายใจโลง่ลงโลมองในแง่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองในแง่ดีดีมันตึงเพื่อจะย้อนย้อนเพื่อที่จะสอนตัวเอง เหมือนกับเราเพิงขาดวัวควายจับควยใหม่วัวใหม่มันวิ่งกระเดิดเปิดเปลงวิ่งแรงเราก็ย่อนไปแล้วก็ดึงกลับคืนมาถ้าไปตึงเวลามันวิ่งมันเจ็บทั้งสองส่วนอาจจะเชือกขาดอาจจะมือขาดก็ได้แล้วเมื่อมันเจ็บมา่มาควายที่มันสนตับใครมัน เจ็บมากมามันก็ดิ้นมากมามันก็ดิ้นมากๆเมื่อมันดิ้นมากๆากมันก็พย์มันก็ประโยชน์มันไม่ให้เราเกี่ยวข้องกับมันเห็นเราสนตะภายควยแดงหลงพ่อเคยนักสนตะภายควยสนเข้าขั้วยกระชาบานห่อน้อสนเข้าขั้วยั้วแต่ไปจับบากไงบางตัวตึงต้องตึงมัดมันก็ดิ้นแล้วไปค่อยลูกคำมันก็ชอบอยู่ก ค่อยๆลูบคำไปลูบคำแล้วก็ค่อยๆจับ ค, ค, ค่อยๆลูบค่อยๆสอดเข้าไปมันก็ให้ให้เราทํางอยู่เป็นเราไถนาเขา่าขวายมันขาดแต่ไปมัดไปดึงมันมันก็ไม่ชอบนะค่อยๆลูบค่อคทีเททีหลังทีหลังมันจะยื่นจมูกมาให้เราเลยว่าแต่เราก็ค่อยๆสอดมันก็หัดได้การหัดการสอนตัวเอย่างกับมันกัน มันไม่ก็ไม่ชอบรุนแรงกันตึงเครียดเกินไปเลเอาเก่งเอาจังก็ไม่ใช่นะต้องรู้จากจริติบของตอนเองปล่อยป่อยหยุดหยุดเย็นเยให้เวลาอ่เช่นท่านั่งเนะ่ยบางทีอยู่ๆเราจะมานั่งให้มันนานเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ได้ปวดขาปวดแขนก็ยืดตัวหม่อยพักใหม่ยืดตัวใหม่อ ว, วางกายวางใจวางใบหน้าวางิีิยาอาการต่างๆ ก็ค่อยสอนไปค่อยยกมือเคลื่อนยกมือไว้ทำใจไปด้วยทำกายไปด้วยทำความรู้สึกตัวไปด้วยแต่มันเป็นปรีเป็นขุยไปถ้าหาัดไม่เป็นก็เป็นศัตรตูกันนะ mm. พอจะเจริญสติที่ไดโอ้ยมันยุ่งยากเหลือเกินมันเรื่องใหญ่้าจะนั่งที่ไดโอ้ยมันใหญ่พอจะนั่งไม่ได้จะทำได้หรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าจะอยู่ได้จบ พอหรือเปล่าเจ็ดวันหรือเปล่ามันคิดไปเพราะทําทำก็ยากจริงมันคิดตั้งท่าตั้งทางอะไรเกินไปไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พื้นแต่พื้ไปทําได้ก็ไม่เป็นไรทําไมได้ก็ไม่เป็นไรนี่หัดทนโนทนอมหัดเคลียตัวเองอย่าลงโทษการปฏิบัติธรรมอย่าไปลงโทษ พ่อยทําไปบางทีจะไปเอาคนเื่นมาเป็นเจนที่วัดเราเขาก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีตัวเราต่างหาเขีนท่องหนังสือคนหนึ่งก็ท่องจําได้ดีไปหน้าหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้ถึงว่าสองแถวสามแถวเราก็จะมารีตัวเองก็ยากเป่าๆเครียดไปเป่าๆสให้ก่อนเคยท่องหนังสือแข่งขัดกัดสบายปวดเป็นเดช มันก็มี <c oughs> มีการหลอกกันสมมติว่าเราท่องไปได้ตั้งห้าใบแล้วบางทีเพื่อนเรามาเราก็เปิดขึ้นม า, า, าสองใบสามใบทำท่าท่องอยู่ที่แท้เราไปได้แล้วห้าใบหกใบไปแล้วแต่บางทีเราไปดูคนที่เก่งกว่าเรา ข้องข้อกันว่าโควิดวินัยบรรจัดนักศึกษแต่อย่างนี้เสสีกรณีกิจสิปัจจัยเครื่องอาศัยของประเทศเรื่องนี้เสียสี่อย่างเือเป็นตะบาดดังว่ากันไปว่ากันไปอ้าวแป๊บเดียวเข้าไปได้แล้วสองใบสามใบเรายัางท่องไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาเล่งตัวเองรีดตัวเองยิ่งตะเปตปะแต่เปตปะไปเลยเมื่อรีดตัวเองมาว่าไม่ได้เราต้องรอได้คอยได้หยุดได้เย็นได้คอยตั้งค่อยทําไปเอาไปมามันก็เจ๋งเั้ืนกันนะ ท่านปฏิบัติทำคนมันก่อนอ๋อบางทีเนนน้อยมาถามเราสมัยเราเป็นโยมไปปฏิบัติอืมเพราะว่าเนนน้อยบอกว่าเขาปฏิบัติเพียงเกตวันเขารู้จักรูปตามเจ้ามาปฏิบัติเราตั้งสิบหมื่นเรายังไ่รู้จักรูปน้ำเจ้าเห็นยังได้อยู่เราก็อ่าลงโทษตัวเองตกใจเมื่อเนน มาเน้นมาว่าอย่างนั้นเร า, เราตกใจเอ๊เราเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าทำไมเราไม่รู้ทําไมเราไม่รู้เน้นตัวเล็กๆทําไมเขาลูกควาคิดแบบนั้นก็เลยไม่ได้ไปคิดแบบนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่เป็นไรอเอาจะทําไปอย่างนี้แหละลูกไม่เป็นไรต้องเน้นเลยไม่ลูกก็ไม่เป็นไรจะทําอยู่นี่แล้วอไม่ลูกก็ไม่เป็นอย่างเดอ้อเพราะทำไปนี่แล้วใจมันดี เวลามันให้โอกาสเราก็ใจดีมันพร้อมทมไป อ, อ้ามันหลงที่ไรไม่ใช่เรามาสร้างความรู้มันคิดทั้งบ้านทั้งส่องมันคิดตลอดเอาไม่ใช่เรามาสร้างคว า, า, า, ามาราู้ไม่ใช่เรามานั่งคิดชั่วโมงเลยเราเป็นชั่วโมงที่เราเดินจงกรมรู้จึกตัวชั่วโมงนี่เป็นชั่วโมงเราสร้างสตินี่เราก็สอนตัวเองค่อยสอนไปพอบอกตัวเองไปพอบอกตัวเองไปบอกความรู้ความหลง มันหลงคิดไปเอาใหม่ใายเวลานี้เรามาสร้างความโูภความโลภมันคืออย่างนี้เดินไปอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้ตามไปโอ้นี่คือความโูภโอ้นี่ความโูภโอ้คิดไปหลงโอ้ดั้นตัวหลงโอ้ตัวรูปตัวรูปเดินอยู่นี่คือรูปเดินอยู่นี่คือรูปรู้สึกตัวอยู่นี่เป็นตัวรูปตัวนามเห็นรูปเห็นนามทันทีนะฮะเล็อกหน่อยเดียวแต่ก่อนคุมเกินไป ไม่เว้นรักให้กับตัวเองไม่ได้ไม่ได้จังหวะต้องเว้นรักสักหน่อยไม่ใช่พืชเหมือนเหล็กเส้นการปฏิบัติทำการเจริญสติเป็นภาวะที่ดูออกมาดูเป็นช่องเป็นช่างความหลงอะได้ปัญญาแต่ก่อนความหลงได้ความหลงไปสู้กับความหลงไม่ใช่บัดนี้ความหลงกลายมาเป็นปัญญาโอ้มันหลงเนาะ โอ้หนี่คือลูกยกมือโอ้นี่ลูกโอยมันแก้กันเองไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่ไปรีดตัวเองบังคับตัวเองมันแก้กันไปในตัวระหว่างความลู ก, กับความหลงระหว่างความทุกข์กับความไม่ทุกข์ของมันก็นะนี่การปฏิบัติมันมันมีมาแก้ในตัวของมันเอง มันเป็นธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราทําถูกอย่างที่เราเรียนรู้มักนะนะมักต้องคื อ, คอดําเนินไปเรื่อยๆเหวันเราก้าเดินมันเดินไปแต่ละเก้ามันเป็นการก้าถูกต้องอยู่แล้วไปคิดทําไมเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่มันจะถึงไม่จําเป็นต้องคิดเลยแค่เราเดินจาก ศาลาหอไต้ไปศาลาหน้าน่ะโอ้ยไปแล้วกันเนาะเดินไหวหรือเปล่าเราแก่แล้วเราปวดขาปวดเข่าเดินไม่เก่งโอ้ยไปคิดอะไรเดินไปค่อยเดินไปเก้าทีละเก้าเก้าทีละเก้ามันสำเร็จแล้วมันผ่านจากศาลาหอไตไปแล้วเก้าวนั้งสองเก้าก็ผ่านไปแล้วสมเก้าก็ผ่านไปแล้ว แต่ก้าวแต่และก้าวมีความหมายไม่ต้องไปคิดเมื่อไรมันจะถึงเมื่อไรมันจะถึงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันลู่เสึกตัวลู่สึกตัวแต่ละลู่แต่ละลู่ลอยูน่นี่มีความหมายมากมันไตจากอะไรมันไปจากความหลงเราทําอยู่แล้วเป็นกรรมอยู่แล้วกรรมมันจะลิขิตอยู่แล้วให้ทำอย่างนี้การปฏิบัติธรรมพอทํำลอยลงไปหเลยไม่แต่ความคิด กกความผิดความถูกผิดก็โอ้ยถูกก็โอ้ยความผิดความถูกสัตดเราพอๆกันการกระทบเท่าๆกันแต่ถ้าว่าเราพิล็อก์สักหอยเห็นมันผิดเห็นมันถูกกเนี่ยมันผิดก็เห็นมันยิ้มได้เหมือนกันมันถูกก็ยิ้มหัวเราะความทุกได้เหมือนกันมันสุข ก, ก็ยิ้มหัวเราะความสุขได้เหมือนกัน วันสุกก็รู้วันวันกันวันทุกข์ก็รู้วันวันกันอยาน่างนี้ปฏิบัติธรรมง่ายง่ายแค่ทำถูกมั้ยหลักเดียวเป็นตัวเฉลยรู้สึกตัวรู้จึกตัวภาษามากเลยว่าดูภาษามากเลยว่าดูคําว่าดูเนี่ยไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเลยไม่เหมือนกับคําว่าเป็นคําว่าเป็นเนี่ยโอ้กระทบกระเทือนมากคําว่าดูเนี่ยไม่มีอะไรกระทบเลย เรียบนะเรียบแปลว่าเป็นเนี่ยขูกขะเป็นทางขาูกขะกระทบกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนก็งอนแน่นคลอนแคนถ้าดูเนี่ยเรียบมันหลงก็เห็นมันเรียบมันลูกก็เห็นมันลูกมันสศกก็เห็นมันสูกมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์นี่คือสติล้วนล้วน สติล้วนลวนสติปฐานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาไปตามไปตามทุกอย่างมันคิดก็ค่อยไปตามความคิดคิดมีเหตุมีผลเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขก็เป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเกิงๆเป็นทุกข์ก็เป็นตัวเป็นต น, เ ป, น, กกนเป็นทุกข์เกงๆก่งแต่ น, นั้นสติธรรมดาสติของปุตุชนสติปฐานเป็นสติของ ที่จะทําลายความเป็นตัวเป็นตนอคําว่าเห็นเนี่ยไม่เป็นตัวเป็นตนคําว่าเป็นเนี่ยคือเป็นตัวเป็นตนเข้าใจหรือเปล่าพู้ชาวแนไม่ใช่ให้ใช่สมองนะแต่ว่าสติปัฏฐานในความทําลายความเป็นตัวเป็นตนอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกชัดๆเลยว่ากาย ศักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขาอะไรที่เป็นเรื่องของกายไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเป็นศักแต่ว่าจิตก็เป็นศัวกว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขานี่สติปัฏฐานไม่ใช่โอ้ยนะปวดเอวโอ้ยปวดเอวมันเป็นตัวเป็นต้นมันเป็นตนอยู่ในความปวด ไม่เป็นมันเป็นตัวเป็น ต, ตนอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความร้อนความหนาวมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความหิวความถูกความทุกข์สติปัฏฐานนี่ัเฉลี่ยออกเลยฉเฉลี่ยออกเลยเห็นมันเห็นมันปวดเห็นมันหิวเห็นมันร้อนเห็นมันหนาว เห็นมันปวดมันเมื่อยเห็นแล้วเฉลี่ยแล้วไปน่ะเฉลีรยแล้วเรียบลงมาสักหน่อยไม่เป็นคลื่นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอภาษาธรรมะเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอภาษาปัญญากรทัญญะรู้แล้วอมันคิดก็รู้แล้วมันโสดก็รู้แล้วมันโทษก็รู้แล้ว มันหิวก็รู้แล้วมันร้อนก็รู้แล้วมันปวดเปนเมื่อยก็รู้แล้วเรียกว่าอัญญาสิอัญญาสิวัตทะโพกรันโยรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยนะไม่ใช่เป็นนะปฏิบัติธรรมมันจะทำให้เกิดความเรียบง่ายความง่ายมันสร้างเราอยู่หรอกแต่เราไปสร้างความง่ายเป็นเรื่องยากสร้างความเบาให้เป็นเรื่องหนัก ส่นมากก็เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเอาให้ได้จะเอาให้ได้แต่รู้วจะเอาอะไรถ้าเอาก็ได้แต่ได้ได้อะไรได้ความยากได้ความง่ายได้ความทุขได้ความทุกข์ถ้าถ้าจะดูมันก็ก็ไม่มีอะไรนี่แต่เห็นแจ้งไปได้บทเรียนความทุกข์ก็ได้บทเรียนเป็นปัญญาความสุขก็ได้บทเรียนเป็นปัญญา ความหลงก็ได้บทเรียนเป็นความไม่หลงได้ปัญญาภาวะที่ดูเนี่ยเริ่มต้นให้ถูกมะการปฏิบัติทำทำสบายๆมันก็เริ่มต้นอยู่แล้วกายานุปัฏนาเนี่ยเคลื่อนไว้ไปมามันจะแสดงนะบทเรียนที่ได้จะกลายมันก็เมื่อวันกันมันปวดมันเมื่อยอืมเห็นมันปวดมันเมื่อยเรียนรู้แล้วรู้แล้วมันปวดรู้แล้วมันเมื่อยรู้แล้วมันสุขรู้แล้วมันทุกข์มันจะเรียนรู้เรื่อยไป มันเป็นแหล่งเรียนรู้มันจะแสดงหลายรสหลายชาติเราก็เห็นเราก็เห็นเราเห็นแล้วความปวดความมั่ยเห็นชัดเหลือเกินเห็นเมื่อไหร่เห็นอยู่โน้เห็นอยู่สุกโตเวลานั่นเรานั่งอยู่ในหอไตเรานั่งอยู่ในศาลาหน้าเวลานั่นเราเดินอยู่ใต้ลมไม้เราเดินเดินอยู่บนทางเดินจงกรมเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วรู้แล้วเวทนามันเป็นอย่างนั้นเนอมันสุกเวทนาทุกเวทนานะ เวลานั่นเราเดินอยู่ต้นขายขี้หมูหลวงพ่ อ, อยังเคลืดได้เวลานั่นเรานั่งอยู่ในกติเวลานั่นเราอยู่อ่านั่งอยู่ในกติมันเห็นข้างเดียวน้อจบมาตลอดทุกวันนียเห็นรูปเห็นนามเห็นแล้วเวลานั่นเดินอยู่ใต้ต้นขายขี้หมูพอมาดูว่าโอ้การเดินเนี่ยคือรูปเนี่น้องรูปเนี่ยน้นองโอ้มันเคลืไปโน่นมันไม่ใช่น้อไม่ใช่เรามาทํามันนั่น ไม่ใช่เรามาเดินคิดเนอะเรามาเดินสร้างสติเนาะออกจากบ้านจากเดอนมาไม่ใช่หมายคิดถึงลูกถึงเมียเรามาสร้างสติเน้ะเขาบอกเลยโอ้ oh, นี่น้ะนี่สติเนอะโอ้มนคิดไปแล้วกับปานเนาะลู้จากรู่นามทันทีนอออมาบำเพ็ญทางกิจลูกเอาลูกเอาเอ า, เ, อาเห็นความคิดเห็นความคิดเห็นความคิดความคิดมันสร้างความให ไม่รู้มันก็ตรงกันข้ามพอเดยตรงกันข้ามพอเดยความคิดที่มันหลงไปกับความคิดความรู้ที่มันไปเห็นความคิดมันตรงกันข้ามพอเดยวพังทลายเลยความคิดเนไม่จริงอะไรๆก็หาคำตอบจากความคิดไม่ใช่ความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเป็นธรรมเป็นธรรมเปลี่ยนแปลงเลยชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปลงเลยเห็นครั้งเดียว ลูกข้างเดียวเฉเลื้อยข้างเดียวจะเลอยได้ข้างเดียวไม่มีปัญหาเอาไม่เอากายมาเป็นสุขไม่เอากายมาเป็นทุกข์ไม่เอาจิตใจที่มันเกิดอะไรที่มันเกิดกับจิตกับใจมาเป็นทุกข์ความทุกข์ที่เกิดกับจิตกับใจเน่ะไม่มีเลยความสุขที่มันเกิดิกับจิตกับใจไม่มีเลยไม่หาความสุขเพราะกายเพราะใจไม่หาความสุขเพราะการกินการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้น ความสุขคือไม่มีอะไรเข้าใจหรือเป่ะความสุขคือไม่มีอะไรอ่าไม่มีเลยนะออแต่ก่อนเราหลงอ่ะถ้าหาความสุขความทุกข์เรื่องของกายของใจได้อันนั้นก็เป็นสุขไม่ได้อันนั้นจะเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเราลู่สู่ตัวลู้สึกตัวลู้สึกตัวแล้วเน่ยเส้นผมบังภูเขานะการปฏิบัตธิธรรม ไปหาอะไรมันยุ่งไปหมดเลยนะสุขมันมีจริงหรือเปล่าทุกข์มันมีจริงหรือเปล่าทุกข์เพื่อให้ทุกข์หรือเรก็ต้องเป็นอย่างนั้นในโลกไปนทสุขก็จะให้สุขสุขก็วิ่งนี้สุขก็วิ่งนล่เราก็ไม่ไอวเห็นมันซาเห็นมันเห็นมันโลดสึกโลดเสืกโอ๊ยอะไรปัญญาเห็นสุขเห็นทุกข์นี่แล้วเป็นปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าว่วาเห็นทุกข์ไงเห็นเห็นอันปัสสติ์ เห็นของจริงอย่างเปิดเสริฐเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจสี่เห็นอย่างเปิดเผฐไม่ใช่เห็นอันอื่นนะถ้าไม่เห็นทุกข์แค่นี้ทุกข์ได้ยังไงถ้าไม่เห็นสุขแค่นี้จะเป็นเปจะจะเป็นจะเม็นผู้มีความสุขได้ยัไงเพราะนั้นเรามาสร้างตัวรู้เนี่ยสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้นะเนาะ ไม่ยากหรอกเนาะ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากขอเชียร์ให้กำลังใจเจ้พวกเราเพราะว่าอันเดียวกันแท้แท้พวกเราเนี่ยแต่จะเป็นเพศพระหม้อโลนผมเหลืองก็อันเดียวกันคือความรุ่นเดียวกันอันเดียวกั น, น, กนคนคนเดียวกันคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าตัวจริงอยู่เท่านั้นความเป็นจริงจุดมหมายปลายทางพุทธผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบาน มันก็ว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนเหมือนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเม่นิพพานอยู่ที่นั่นเอามันไปนั่นแล้วคิตเะไรเนาะไปหาอะไรมันจงยากอยู่ที่ไหนเนิพพานที่นั่นแล้วเย็นนะไปร่อนทำไมไปทุบไปตอกของบนล อ, อยเนาะอ่าฝั น, นก็สมควรใชเวลา